ถ้มบนแปลเรื่องที่113ภาคที่หเรื่องพระมหาโมคลานะเทระพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารพพระมหาโมคลานะเทระตระพระธรรมเทศนานิว่าโยทันเทนะอัทันเทสุ อาปะทุเทสุทุสติทสัส น, นะมัญัตังฐานังคิปะเมวังนิขัชติเวทนังพะรุสังชานิงสรีรัสสะจะเพทนังขรุกังวาปิอาภาทางังจิตตักเขปังวปาบุเนราชโตวาอุ ปะักขังอภักขานังวาัาฐานังปริฆายังวยายตีนังโภคานังวะปะพังคุนังอทฐวาสะอคารานิอคิทหตติปาวโกกายสะเพทาทุก ป, ปะปัญโยนิระยังโสอุป ป, ปัจชติแปลว่า ผู้ใดประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายทั้งหลายผู้ไม่มีอาดยาด้วยอาดยาย่อมถึงฐานะสิบอย่างยังได้อย่างหนึ่งพลันทีเดียวคือถึงเวทนากล้าหนึ่งความเสื่อมทรัพย์หนึ่งความสลายแห่งสรีระหนึ่งอาพาธหนักหนึ่งความฟุ้งซ่านแห่งจิตหนึ่ง ความขัดข้องแต่พระราชาหนึ่งการถูกกล่าวตูอย่างร้ายแรงหนึ่งความย่อยยับแห่งเครือญาติหนึ่งความเสียหายแห่งโภคะทั้งหลายหนึ่งอีกอย่างหนึ่งไฟป่า ย, ย่อมไม่เรือนของเขาผู้นั้นมีปัญญาสามเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงนรกความพิสดารว่าในสมัยหนึ่ง พวกเดรตีประชุมกันคิดว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายทราบหรือด้วยเหตุไรลาบสการะจึงเกิดขึ้นเป็นอันมากแก่พระสมณโคดมเดรตีพวกหนึ่งกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าไม่ทราบพวกท่านทราบหรือเดรตีที่รู้เรื่องก็พากันตอบว่าขอรับพวกข้าพเจ้าทราบลาบและสัการะ เกิดขึ้นพระอาศัยพระเถระรูปหนึ่งชื่อมหาโมกคลานะพระพระเถระนั้นไปเทวโลกถามกรรมที่พวกเทวดาทําแล้วก็กลับมาบอกกับพวกมนุษย์ว่าถวยเทพทำกรรมชื่อนี้ย่อมได้สมบัติเห็นป่านนี้แม้ไปนรกก็ถามกรรมของหมู่สัตว์ผู้เกิดในนรกแล้วกลับมาบอกพวกมนุษย์ว่า พวกเนระยิกาสัตย์ทรรมชื่อนี้ย่อมสวยทุกเห็นปานนี้พวกมนุษย์นั้นได้ฟังถ้อยคำของพระเถระนั้นแล้วย่อมนำลาบสักการะเป็นนันมากไปถวายถ้าพวกเราจะสามารถฆ่าพระเถระนั้นได้ไซ้ล่าบและสักการะนั้นก็จะเกิดแก่พวกเราตอนเดรธีจ้างพวกโจรฆ่าพระเถระ เดรตีเหล่านั้นต่างรับรองว่าอุบายนี้ใช้ได้ทุกคนเป็นผู้มีชันทะอันเดียวกันตกลงกันบ่าพวกเราจะทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อฆ่าพระเทรนันเสียดังนี้แล้วจึงชักชวนพวกอุปตากของตนได้ซับพันกหาปณะนะให้เรียกมูโจรผู้ที่ยวทำกรรมคือข่าบุรุษมาแล้ว สั่งว่าพระเถระชื่อมหาโมกคลานะอยู่ที่กาลสิลาพวกเจ้าไปในที่นั้นแล้วจงฆ่าพระเถระนั้นดังนี้แล้วก็ได้ให้กาหาปณะนะแก่พวกโจรบวกโจรรับคาเพราะความโลภในทรัพย์ตั้งใจว่าพวกเราจะฆ่าพระเถระดังนี้แล้วก็ไปล้อมที่อยู่ของพระ มหาโมกขลานะเทระนันไว้พระเทระทราบความที่ตนถูกพวกโจรเหล่านั้นล้อมแล้วจึงออกไปทางร่องลูกกุญแจหลีกไปเสียในวันนั้นพวกโจร น, นั้นไม่ได้เห็นพระเทระในวันรุ่งขึ้นจึงไปล้อมอีกพระเทระทราบแล้วก็ทำลายมณทนช่อฟ้าเพราะ ไปสู่อากาศเมื่อเป็นเช่นนี้ในเดือนแรกก็ดีในเดือนท่ามกลางก็ดีพวกเดรตินั้นก็ไม่ได้อาจจับพระเทระได้แต่เมื่อมาถึงเดือนสุดท้ายพระเทระทราบภาวะคือกรรมอันตนทำไว้แล้วมาร่าชีวิตจึงไม่ได้หลบเลี่ยงพวกโจรไปจับพระเทระได้แล้ว ทุบกระดูกทั้งหลายของท่านให้แตกยับเป็นชิ้นน้อยมีประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารหักที่นั้นพวกโจรเวียงท่านไปที่หลังพุ่มไม้แห่งหนึ่งด้วยสำคัญว่าตายแล้วก็หลีกไปตอนพระเถระประสานกระดูกแล้วไปเฝ้าพระศาสดาพระเถระคิดว่า เราเฝ้าพระาศาสดาเสียก่อนแล้วจะปรินิพานดังนี้แล้วจึงประสานอัตภาพด้วยเครื่องประสานคือชานทำให้มั่นคงแล้วไปสู่สำนักพระาศาสดาโดยทางอากาศถวายบังคมพระาศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์จะปรินิพานพระเจ้าขโมกขลานะเธอจะปรินิพานหรือ ข้าพ ร, ระองค์จะปรินิพพานพระเจ้าข้าเธอจะประินิพพานที่ไหนข้าพระองค์จะไปสู่ประเทศชื่อกาลสิลาแล้วปฏินิพพานพระเจ้าข้าโมกัลลนะถ้ากระนั้นเธอกล่าวทำแก่เราแล้วจึงค่อยไปเพราะในบัด น, นี้เราจะไม่พบเห็นสาวกผู้เช่นเธออีกระเตระรับกรคมดังนั้นแล้ว ถวายบังคมพระศาสดาเอาอขึ้นไปในอากาศแสดงฤทธิ์มีประการต่างๆอย่างพระสารีบุตรแสดงฤทธิ์ในวันปรินิพพานแล้วกล่าวทำถวายบังคมพระศาสดาลแล้วไปสู่ดงใกล้ากาลสิลาประเทศปฏินิพพานแล้วถ้อยคำเล่าลือแม่นี้ว่าข่าวว่า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 อยู่ในโรงดื่มสุราโจรคนหนึ่งก็ถ้องหลังคือผลักหลังโจรคนหนึ่งให้ลม้มลงโจรที่ถูกถองหลังกูตะคอกโจร น, นั้นแล้วพูดว่าเฮ้ยไอ้หัวดือ้อทำไมจึงทองหลังกูเล่าโจรอีกผู้หนึ่งกล่าวว่าเฮ้ยไอ้โจรชั่วร้ายก็พระมหาโมกคลานะมึงลงมือตีก่อนรอึโจรอีกผู้หนึ่ง ก็มึงไม่รู้หรือว่าพระมหาโมกคลานะถูกกูตีหรอกหรืเมื่อพวกโจรเหล่านั้นพากันกล่าวอวดอ้างอยู่ว่าพระมหาโมกคลานะกูตีเองแล้วกูตีเองแล้วอย่างนี้จาระบุรุษเหล่านั้นได้ยินแล้วจึงจับโจรเหล่านั้นไว้ทั้งหมดแล้วกราบตูลแดบพระราชา พระราชาทรงมีรับสั่งให้เรียกพวกโจรมาแล้วรัตนาว่าพวกเจ้าข่าพระเถระหรือพวกโจรเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระราชาใครใช้พวกเจ้าเล่าพวกโจรพวกสมณะเลือยพระเจ้าข้าพระราชาทรงมีรับสั่งให้จับสมณะเปลื่อยประมาณห้ารอแล้วให้ฝังไว้ในหลุม ประมาณเพียงสดือที่พระหลานหลวงรวมกับโจรทั้งห้าร้อยคนให้กลบด้วยฟางแล้วก่อไฟเผาครั้นทรงทราบว่าพวกเหล่านั้นถูกไฟไหม้แล้วจึงรับสั่งให้ไถด้วยไถเหล็กทำพวกนั้นทั้งหมดให้เป็นท่อนใหญ่และท่อนน้อยและหาท่อนมิได้ รับสั่งให้ทำการเสียบเหลาวไว้ในโจนสี่คนภิกษุทั้งหลายสนทนากันในรงธรรมว่าน่าสังเวชจริงพระมหาโมกขลานะวรณภาพไม่สมควรแก่ตนพระศาสดาเส ด, สเด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยคาถาอะไรหนาก็เมื่อภิกษุเหล่านั้น กราบทูลว่าด้วยคาถาชื่อนี้พระเจ้าข้าประศาสดาก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโมกกล้นะมรณภาพไม่สมควรแก่อัตภาพนี้เท่านั้นแต่เธอถึงมรณภาพสมควรแต้แก่กรรมที่เธอดำไว้ในการก่อนอันภิกษุทั้งหลายทูลตามว่าก็บุตพกรรมของท่านเป็นอย่างไรพระเจ้าข้า พระองค์จึงได้ตรัสอดีตนิทานอย่างพิสดารดังต่อไปนี้ตอนบุรพกรรมของพระมหาโมกขลนะดังได้สับมาในอดีตการกุลบุตรผู้หนึ่งเป็นชาวเมืองรารณสีมีกิจ ต, ต่างๆมีทำข้าวและหุงต้มเป็นต้นทำด้วยตัวเองทั้งนั้นประนิบัติ มารดาบิดาต่อมามารดาบิดาของเขาพูดกับเขาว่าพ่อเจ้าผู้เดียวเท่านั้นทํางานทั้งในเรือนทั้งในปา่าย่อมลําบากมารดาบิดาจะนําหญิงสาวคนหนึ่งมาให้เจ้าถูกเขาห้ามว่าคุณแม่และคุณพ่อผมไม่ต้องการด้วยหญิงสาวเห็นป่านนั้นผมจะบํารุงท่านทั้งสอง ด้วยมือของผมเองตราบเท่าท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่มารดาบิดานั้นก็อ้อนบอนเขาแล้วแล้วเล่าๆแล้ ว, ล ว, ลวนําหญิงสามมาย้เขาหญิงนั้นบำรุงแม่ผัวและพ่อผัวได้เพียงสองถึงสามวันเท่านั้นภายหลังก็ไม่อยากเห็นท่านทั้งสองนั้นเลยจึงบอกกับสามีว่าฉันไม่อาจอยู่ในที่แห่งเดียวกับ มารดาบิดาของเธอได้ดังนี้แล้วก็ตีเตียนต่างๆนานาเมื่อสามีนั้นไม่เชื่อถ้อยครรมของตนในเวลาสามีไปภายนอกถือเอาปอก้านปอและฟองข้าวยากูไปเรียรายไว้ในที่นั้นๆเมื่อสามีมาแล้วสามีก็ถามว่านี่อะไรกัน หญิงนั้นก็บอกว่านี่แหละเป็นกรรมของคนแก่ผู้บอดเหล่านี้แก่ทั้งสองเที่ยวทําเรือนทั่วทุกแห่งให้สกปรกฉันไม่อาจอยู่ในที่แห่งเดียวกันกับแก่ทั้งสองนั้นได้เมื่อหญิงนั้นบนพร่ำอยู่อย่างนั้นศาสผู้มีบารมีบำเพ็ญไปแล้วแม้เห็นป่านนั้นก็แตกกับมารดาบิดาได้เขาจึงพูดว่า เอาเถอะฉันจะรู้กรรมที่ควรทำแก่ท่านทั้งสองดังนี้แล้วจึงเชิญมารดาบิดาให้บริโภคแล้วชักชวนว่าค่าแต่พ่อและแม่พวกญาติในที่ชื่อน้นหวังการมาของท่านทั้งสองอยู่ผมจะพาไปในที่นั้นดังนี้แล้วก็ให้ท่านทั้งสองขึ้นสู่ยานน้อยแล้วพาไป ในเวลาถึงกลางดงหลวงว่าคุณพ่อครับขอพ่อจงถือเชือกไว้โกทั้งสองจะไปด้วยสัญญาณแห่งประตักนี้ในที่นี้มีพวกโจรซุ่มอยู่ผมจะลงไปจัก น, นี้แล้วก็ได้มอบเชือกไว้ในมือของบิดาลงไปแล้วได้เปลี่ยนเสียงทำเป็นเสียงของพวกโจรซุ่มอยู่ มารดาบิดาได้ยินเสียงนั้นด้วยสำคัญว่าพวกโจรซุ่มอยู่จึงกล่าวว่าลูกเอ๋ยแม่และพ่อแก่แล้วเจ้าจงรักษาเฉพาะตัวเจ้าให้พ้นภัยเถิดเขาได้ทำเสียงดุดโจรทุกตีมารดาบิดาแม้ผู้ร้องอยู่อย่างนั้นให้ตายแล้วทิ้งไว้ในดงแล้วกลับไปตอน ผลของกรรมชั่วตามสนองพระศาสดาครั้นตรัสบุตรปกรรมนี้ของพระมหาโมกขลานั้นแล้วตรัสว่าภิกษุททั้งหลายโมกขลานะทำกรรมประมาณเท่านี้ไม่ในนรกหลายแสนปีด้วยวิบากที่ยังเหลือจึงถูกทุบตีอย่างนั้นนั่นแหละละเอียดหมดถึงมรณนะ สิ้นรายอัตภาพโมกขลานะได้มารณะอย่างนี้ก็พอสมแก่กรรมของตนเองแต่พวกเดรธีห้0 0กับโจร500ประทุษร้ายต่อบุตรของเราผู้ไม่ประทุษร้ายก็ได้มรณะที่เหมาะแก่กรรมของเขาเหมือนกันโดยว่าบุคคลผู้ประทุษร้ายต่อบุคคล ผู้ไม่ประทุสลายยอมถึงความพินาศที่พายด้วยเหตุสิบประการเป็นแต่หนังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมที่ได้ทรงพาสิทธิพระคาถานิว่าโยทันเทนะอัทันเทสุอัปปทุเตสุทุสติทัศนนะมัญะตรังฐานัง คิ ป, ปะเมวังนิคัตติเวทนังพระุสังชานิงสรีรัสะเจเพทนังขรุกังวาปิอาภาทางังจิตตะเคปังวะปาปุเนราชะโตวาอุปสักังอภักขานังวทฏารุนังปริขายังวายาตีนัง โอคานังวะปะพังคุหนังอะทะวาสะอาคารานิอากิทะหะติปาวะโกกายัสะเพตาทุ ป, ปัญโยนิระยังโสอุปปัจจติผู้ใดประทุษร้ายไหนท่านผู้ไม่ประทุษร้ายทั้งหลายผู้ไม่มีอาจยาด้วยอาจยา ย่อมถึงตานะสิบอย่างยังได้อย่างหนึ่งปันทีเดียวคือถึงเบตนากล้าหนึ่งความเสื่อมทรัพย์หนึ่งความสลายแห่งสรีราหนึ่งอาพาดหนักหนึ่งความฟุ้งซ่านแห่งจิตหนึ่งความกัดข้องแก่พระราชาหนึ่งการถูกกล่าวตูอย่างร้ายแรงหนึ่งความย่อยยับแห่งเพื่อญาดหนึ่งความเสียหายแห่งโภคทรัพย์ทั้งหลายหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งไฟป่าย่อมไม่เรือนของเขาหนึ่งผู้นั้นมีปัญญาสามตายไปย่อมเข้าถึงนรกหนังนี้บรรดาคาเหล่านั้นคำว่าอทันเทสุคือผู้ไม่มีอาจยาหมายความว่าในพระกีนาศพทั้งหลายผู้เว้นจากอาจยามีอาจยาต่างกายเป็นต้นคำว่าอะปะ ทุตเถสุแปลว่าในท่านผู้ไม่ประทุษสลายทั้งหลายหมายความว่าผู้ไม่มีความผิดในชนเหล่าอื่นหรือในตนคําว่าทัศ น, นมันยะยตรังฐานังแปลว่าทานะสิบอย่างย่างได้อย่างหนึ่งหมายความว่าในเหตุแห่งทุกสิบอย่างซึ่งเหตุยังได้อย่างหนึ่ง คำว่าเวทนังคือเวทนาได้แก่เวทนากล้าอันต่างด้วยโรคมีโรคในศีรษะเป็นต้นคำว่าชานิงคือความเสื่อมทรัพย์ได้แก่ความเสื่อมทรัพย์ที่ได้โดยยากคำว่าเพทนังแปลว่าความสลายได้แก่ความสลายแห่งสรีระมีการตัดมือเป็นต้น คำว่าขรุกังแปลว่าหนักได้แก่อาภพาดหนักต่างด้วยโรคมีโรคอมาาัมพาตมีจากสู่ข้างเดียวเปลือยง่อยและโรคเรื้อนเป็นตน้นคำว่าจิตตกเขปังแปลว่าความฟุง้งซ่านแห่งจิตได้แก่ความเป็นบ้าคำว่าอุปสักขังแปลว่าความกัดข้อง ได้แก่ความแฉทข้องแก่พระราชาเป็นต้นว่าทอดยศลดตำแหน่งเสนาบดีเป็นต้นคำว่าอัักขาหนังแปลว่าการถูกกล่าวตู่หมายความว่าการถูกกล่าวตู่อย่างร้ายแรงเห็นป่านนี้ว่ากรรมมีการตัดที่ต่อเป็นต้นนี้ก็ดีกำคือการประพฤติผิดในพระราชานี้ก็ดีเจ้าทำแล้วซึ่งตนไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยินและไม่เคยคิดเลยคำว่าปริคยังวะยาตีนังแปลว่าความย่อยยับแห่งเครือญาติได้แก่ความย่อยยับแห่งเครือญาติผู้สามารถเป็นที่ํำนักของตนคำว่าปะพังกุ้หนังคือความเสียหายคือความเสียหายได้แก่ความผุพังไป หรือเข้าเปลือกในเรือนของเขาย่อมถึงความเน่าทองคำถึงความเป็นฐานเปลิงแก้วมุกดาถึงความเป็นเมล็ดฝ้ายกหาปณะนะถึงความเป็นชิ้นกระเบื้องเป็นต้นสัตว์สองเท้าสี่เท้าถึงความเป็นสัตว์บอดเป็นต้นคำว่าอคีทัชหตติคือไฟป่าย่อมไหม้หมายความว่าในปีหนึ่ง เมื่อไฟผลาญอย่างอื่นแม้ไม่มีไฟคืออสนิบาตย่อมตกลงเผาผลาญ 2-3 ถึงครั้งหรือไฟป่าตั้งขึ้นตามธรรมดาของมันย่อมไม่เทียวคำว่านิรยังคือนรกหมายความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าผู้นั้นย่อมเข้าถึงนรกก็เพื่อแสดงฐานะอันการกระ บ, บุคคล แม้ถึงตานะสิบอย่างเหล่านี้ยังได้อย่างหนึ่งในปัจจุบันนี้แล้วก็พึงถึงในสัมปรยายภพโดยอย่างเดียวกันในการจบเทสนาจนเป็ น, นมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องพระมหาโมกขลนะเทระ